สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคากฎข้อที่4นะครับที่เรียกว่ากฎแห่งความเป็นและความตายในเช้าวันนี้เราจะมาไขครวนพิจารณาถึงพระกัมภีร์ที่สำคัญของกฎนี้ครับอยู่ในกาลาเทียบทที่ 2: ข้อกิกาลาเทียบทที่สองข้อ20โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า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 คริสเตียนชาวคาลาเทียและข่าวสารนี้เองวันนี้เป็นข่าวสารจากพระเจ้าที่ได้มาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนโดยศาสนาจารย์ฟิลิปเทงที่ได้เขียนไว้ว่ามีความคิดที่อุดมสมบูรณ์มากมายจากข้อพิมพีข้อนี้ครับประการแรกมีการตายสองครั้งที่ไม่ขังเขน พราะจากน้นของพระเจ้าได้กล่าวว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วความหมายพื้นฐานซึ่งเป็นที่รับรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์กับไม้กางเขนการรับรู้นั้นมีสองด้านครับด้านที่1นพระคริสต์กับข้าพเจ้ารับรู้ด้วยกันพระองค์ทรงยืนอยู่ในฐานะของข้าพเจ้าทรงตายเพื่อข้าพเจ้าการตายนี้เป็นการตายครั้ง1ครั้งหรือครั้งหนึ่งหรือ1ความหมายครับ ก็คือการตายนี้เป็นการตายไถ่าบาปของข้าพเจ้าการตายแบบนี้เป็นการตายที่ทําให้ข้าพเจ้าเกิดใหม่เกิดฐานะใหม่ก็คือเป็นคนชอบธรรมการตายครั้งที่สองบนแม้แหงเขนนั้นก็คือข้าพเจ้ากับพระคริสต์นั้นรับรู้ด้วยกันข้าพเจ้ายือนอยู่ในฐานะของคนชอบธรรมตายพร้อมกับพระองค์การตายนี้ก็ให้เกิดชีวิตใหม่ก็คือสู่ความชอบธรรม พี่น้องครับถามว่ามีการตายกี่ครั้งบนแมงเเขนความจริงแล้วบนแมงเเขนนะั้นพระเยซูสิ้นประชนครับแต่มีความหมายอยู่2ความหมายตรงนี้ความหมายแรกก็คือพระคริสต์ตายไถ่บาปความหมายที่2ก็คือข้าพเจ้าตายพร้อมกับพระองค์นั่นแหละครับคือความหมายทั้งสองความหมายนี้และทั้งสองความหมายนี้ทําให้เรามีฐานะใหม่และมีชีวิตใหม่ฐานะใหม่ก็คือเป็นคนชอบธรรม ชีวิตใหม่ก็คือชีวิตที่ชอบทำความหมายของไม่ยอ้งเขนไม่ใช่การตายแทนคนบาปเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการตายด้วยกันครับพี่น้องครับเราจาเป็นต้องมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในความหมายทั้งสงด้านนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วหลังจากนั้นความหมายและประสิทธิผลของไม่ยงเขนนี้จึงจะสำเร็จได้ผลอย่างครบถ้วนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับ บนแม่งแขนนั้นพระเยซูสิ้นประชนเพื่อไถ่าบาปเราในขณะเดียวกันครับเราเองก็ถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์แล้วด้วยการสิ้นประชนของพระองค์ทำให้เราได้รับฐานะเป็นคนชอบธรรมแต่การที่เราถูกตรึงไว้กับพระองค์ทำให้เรามีชีวิตใหม่ที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์ครับประการต่อไปครับ คำว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเป็นว ล, ลีที่สองของพระคัมภีร์กาแลเทียบที่สองข้อยครับข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปว ล, ลีที่กล่าวมานี้นะครับได้บอกเหตุผลให้เราทราบว่าความล้มเหลวความล้มเหลวของเรา ความโุ่งเหลวของมนุษย์นั้นมาจากการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอีโกโอีซึ่ใหม่อีกแล้วครับตัวเองเป็นที่พึ่งแห่งตัวเองใหม่อยู่แล้วครับเมื่อมนุษย์ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางมีชันเป็นศูนย์กลางมีมีชีวิตที่เป็นไอ e ซ t e r หรือมี center มันจะก่อให้เกิดความโกลาหลวนวุ่นวายครับ โกระหุนวุ่นวายในท่ามกลางมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าทุกคนต่างก็ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางยึดพวกพ้องเป็นศูนย์กลางยึดพรรคพวกเป็นศูนย์กลางและด้วยความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ครับคริสเตียนเราจะต้องยืนหยัดและยึดพระเยซูเป็นศูนย์กลางเราจะต้องปฏิเสธตัวเองแบกกลางเขนตามพระองค์ไปนี่เป็นความหมายที่ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปครับ คริสเตียนเราจะต้องยืนหยัดในปกป้อง God Center ครับสลัดทิ้งซึ่งไอเซนเตอร์หรือมีเซนเตอร์เราต้องปฏิเสธตัวเองและมีจุดยืนที่จะไม่เป็นศูนย์กลางของตัวเองเราจะไม่พึ่งตัวเองเราจะต้องพึ่งพระเจ้าและมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าและเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทําอะไรเราเชื่อฟังทําตามพี่น้องครับ อย่าคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่อย่านึกว่ามนุษย์สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ใช่ครับพระเจ้าเป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพสูงสุดทรงสัพพันญยูทรงมีอํานาจอธิปไตยสูงสุดทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งทรงรู้ทุกเรื่องและที่สำคัญครับก็คือทรงรักเรามากกว่าใครในโลกนี้เป็นผู้ที่รักเรามากที่สุดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางเือครับ อย่ายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่ายึดคนอื่นเป็นศูนย์กลางอย่ายึดสิ่งใดๆเป็นศูนย์กลางนอกจากองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรานี่ความหมายว่าเราต้องปฏิเสธตัวเองปฏิเสธความเป็นตัวของตัวเองเพราะเหตุที่ว่าพระวจนะบอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปประการต่อไปครับเป็นวลีต่อแต่พระคริสต์ต่างหากมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า นั่นคือชีวิตที่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางครับให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางความคิดด้านลบของคริสเตียนปฏิเสธความเป็นตัวขงตัวเองความคิดด้านบวกก็คือต้องเอาพระเยซูเป็นศูนย์กลางต้องยึดพระองค์ไว้ให้แน่นเพราะเหตุที่ว่าเรามั่นใจว่าพระเยซูทรงประเสริฐกว่าเราอย่างมากมายแน่นอนครับเราจำเป็นต้องมีความเชื่อแบบนี้ครับและต้องยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความเชื่อนี้ เป็นความเชื่อที่แน่วแน่ซึ่งจะทำให้เราเต็มใจเต็มใจครับเต็มใจที่จะรับพระเยซูเข้ามาและสัมแดงพระเยซูออกไปพี่นะครับใน่ามกลางกระแสของโลกนี้ซึ่งทุกๆคนนั้นเห็นแก่ตัวทุกคนนั้นมีอิโ ก, โก้ทุกคนนั้นมีตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เราทั้งหลายจะต้องสวนกระแสครับเราจะต้องเต็มใจในการที่เราจะสัมแดงพระเยซู ให้พระเยซูมาเป็นเอกเป็นใหญ่ให้พระเยซูมาเป็นที่หนึ่งเพื่อที่เราจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากมีชีวิตอยู่ในเราพี่น้องครับชีวิตของพระเยซูที่อยู่ในเรานั้นจะสําแดงพระเยซูครับจะสําแดงพระองค์เองจะเป็นพระฉายของพระเจ้าคือสะท้อนพระสิริของพระเยซูสะท้อนพระสิริของพระเยซูเพื่ออะไรครับเพื่อที่ให้พระเยซูนั้นได้ถูกยกชูขึ้น ตัวเองนั้นต้องด้อยลงนี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนพระกัมพีสอนมาโดยตลอดครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องยกจ้องพระเยซูเมื่อเราเป็นคริสเตียนน้น้อ ง, อ, ง อ, นนนองถวายเกียรติพระเยซูสแสวงหาเกียรติให้กับพระองค์พี่น้องครับอย่าสแสวงหาเกียรติให้กับตัวเองอย่ายกตัวเองพระกัมพีบอกว่าคนที่ยกตัวเองนั้นก็จะถูกทำให้ต่ำลงเพราะว่าในที่สุดแล้วเราไม่มีอะไรดี แท้จริงเราเป็นผู้ที่รับพระคุณเท่านั้นครับพี่น้องพี่น้องลองคิดดีๆค่ควรพิจารณาดีๆเราเห็นว่าเรามาถึงปัจจุบันนี้ณบัดนี้ณจุดนี้ที่เรายือนอยู่ได้ในแต่ละคนแต่ละท่านพี่น้องครับเราเองต้องยอมรับว่าพระเยซูพระเจ้านำเรามาจนถึงทุกวันนี้เราจะกล่าวว่าเอเบนเอเซอร์ก็คือพระเจ้านำเรามาจนถึงทุกวันนี้ ่ครับในเช้าวันนี้ผมจะจบลงด้วยบทความของท่านอาจารย์ฟิลิปเทงครับท่านเขียนบอกว่าบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากบทหนึ่งเขียนโดยวิ t ดิงตันได้สะท้อนถึงเสียงในใจของคริสเตียนและบทเพลงนี้มีเนื้อเพลงที่เขียนอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประองคทรงเล้าลม ข้าพเจ้าด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดทรงแบกภาระหนักแทนข้าพระเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงขจัดความกลัวทั้งหลายช่วยข้าพเจ้าหลุดพ้นจากตัวเองและหลอมละลายข้าพเจ้าในพระองค์ต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในขบัติเจ้าพี่น้องครับคําว่าไม่ใช่ขบัติเจ้านั้นก็คือขบัติเจ้าแหละครับขบัติเจ้านั้นจะต้องถูกพระเจ้าเล้าลมขบัติเจ้าจะต้องให้ความอ่อนโยนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อขบัติเจ้าสัมผัสกับพระเจ้าขบัติเจ้าไม่เหลืออะไรครับขบัติเจ้า รับการเช็ดนั้นตาจากพระองค์ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงแบกภาระหนักแทนข้าพเจ้าพระองค์ขจัดความกลัวออกไปช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากตัวเองหลอมละลายเข้าไปอยู่ในพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินในร่างกายนี้เป็น ชีวิตใหม่ที่พระเยซูได้ประทานให้กับข้าพเจ้าพี่น้องครับการที่เราปฏิเสธตัวเองไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นพระเยซูพระเยซูเท่านั้นที่ส่งช่วยข้าพเจ้าให้รอดและปลอดภัยให้รอดและปลอดภัยตลอดอาเมน